เวลาโยมมาวัดแล้วก็อยากจะถวายของนะที่พระฉันได้นะถ้าเกิดว่ามีของเยอะๆเนี่ยเช่นมาม่าหนึ่งลังปลากระป๋องหนึ่งลังนมกล่องหนึ่งลังน้ำผลไม้กล่องหนึ่งลังรวมทั้งน้ำปล่าเนี่ยสองสมแพ็คเนี่ยนะถ้าอยากจะถวายพระเนี่ยนะ มันก็ทำได้สามช่องทางนะหนึ่งไปมอไปที่โรงครัวหรือสองมาถวายเป็นสังฆทานก่อนที่พระจะฉันหรือสามเนี่ยไปใส่บาตรนะตอนที่พระเนี่ยเดินกลับวัดถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบวิธีไหนส่วนใหญ่ก็ชอบวิธีสุดท้ายนะคือเอาของเหล่านั้นเนี่ย มาใส่บาตรพระซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าของเยอะต้องฉีกลังแล้วก็ถวายพระใส่บาตรองร์ล้นมสามกล่องผลไม้นมผลไม้น้ำผลไม้อีกสามกล่องมาม่าอีกสามหอ่อปากกระป๋องอีกสองกระป๋อง ที่จริงเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามาถวายที่โรงครัวหรือว่ามาถวายเป็นสังกทานนะแต่ทําไมเนี่ยญาติโยมส่วนใหญ่เนี่ยจึงอยากจะถวายด้วยการใส่บาตรคงพรรู้สึกว่าทำอย่างนั้นแล้วมันได้บุญเยอะที่จริงได้บุญเท่ากันนะจะถวายที่โรงครัวหรือว่าถวายเป็นสังกทาน แต่ว่าถ้าพูดถึงความรู้สึกทางจิตใจเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าผูกพันกับการใส่บาตรมากกว่าเพราะว่าได้ถวายใส่ลงไปในบาตรนะก็เลยมีความสุขว่าได้บุญเต็มๆอันนี้ก็เป็นความรู้สึกคนไทยนะเวลาพูดถึงการทําบุญเนี่ยอย่างแรกที่นึกถึงก็คือการใส่บาตร ซึ่งพอคิดถึงแล้วเนี่ยมันทำให้จิตใจเนี่ยเป็นกุศลขึ้นมาบนาะงทีเพียงแค่นึกถึงนั่นแหละก็รู้สึกดีแล้วอันนี้แม้ทางคนป่วยนะคนป่วยเนี่ยเวลาร่างกายย่ําแย่ความรู้สึกนะก็คืออยากจะใส่บาตเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลหลายแห่งก็นิมนต์พระไปรับบาตจากผู้ป่วยแล้วไม่ใช่ผู้ป่วยธรรมดาบางทีผู้ป่วย ีว่าจิตเวทเนี่ยก็อยากใส่บาตนะมีโรงพยาบาลหนึ่งนะผู้เปิดจิตเวทเนี่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยรล้ๆจะลุกจากเตียงให้ได้เพื่อไปใส่บาตซึ่งถ้าออกลงจากเตียงได้คงจะใส่บาคือว่ า, าไปที่ข้างนอก เพราะว่าคุณเกี่ับการใส่บาตหน้าบ้านริมถนนเจ้าที่พยายามาห้ามยังไงก็ไม่ฟังอยากจะใส่บาตให้ได้แต่เจ้าที่ก็ไม่อยากจะให้รู้จักเตียงทํำยังไงนะปลอมตัวเป็นพระเฉลยนะมีโรงพยาบาลหนึ่งนะผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยปลอมตัวเป็นพระเลยนะเอาจีวรมาหม่มเพื่อจะให้ ผู้ผ่วยจิตเวทเนี่ยใส่บาตรบนเตียงนี่แหละไม่ต้องลุกไม่งั้นเนี่ยจะลุกให้ได้เพราะว่าอยากจะใส่บาตรนะจริงๆเนี่ยพูดถึงการทำบุญเนี่ยนะไม่ต้องใส่บาตรก็ทำได้อีกหลายวิธีนะอย่างที่ว่านะถวายสังกะทานก็ได้แต่ว่าพูดถึงการใส่บาตรแล้วเนี่ยคนไทยเรารู้สึกผูกพันมากนะใส่ทำบุญแล้วนี่ก็ เรืถึงการใส่บาทก่อนองั้นเวลามีของเยอะๆมาวัดเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะก็อยากจะใส่บาทด้วยเมือของตัวเองซึ่งบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าอย่างที่บอยนะต้องแกะลังมาแล้วก็นม3กล่องนะน้ำผลไม้สองกล่องมะมามอีกสห่อปลากระป๋องอีก2กระป๋อง นี่ใส่ในบาทเดียวนะใส่ในบาทเดียวนะแล้วนึกถึงภาพนะพระชี้ต้นต้องรับบาทแบบนี้นี่จะรู้เสื่องยังไงทั้งที่พอท่านรับเสร็จท่านก็พอเดินไปที่โต๊ะก็ต้องเอาของทั้งหมดนิวาวไปที่โต๊ะโต้อาหารเพราะว่าที่นี่เราฉันรวมนะไม่ใช่วา่าแยกไปฉันที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลก็เหมือนกันนะไม่ต่าจากการถวายสิครัว ไม่ต่างจากการถวายสังฆทานนะแต่ว่าชาวพุทธราจนลัมม่าเนี่ยนะเวลาพูดถึงการทำบุญแล้วก็ที่ที่ผูกพันกับการใส่บาตรเพราะเราไปติดที่รูปแบบนะติดที่รูปแบบว่ามันต้องใส่บาตรนะถึงจะได้บุญถ้าว่าทำอย่างอื่นวิธีอื่นเนี่ยแม้จะเป็นการถวายเหมือนกัน แต่รู้สึกว่ามันขายอะไรไปบางอย่างอันนี้ที่จริงถ้าติดที่รูปแบบนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็แค่เอาตัวอย่างมาถวายใส่บาตรพระนม1กล่องน้ำผลไม้1กล่องมาม่าห1หอ่อปลากระป๋อง 1, 1องน่งกล่องแล้วก็ที่เหลือก็ไปถวายที่ครัวหรือถวายเป็นสังฆทานก็ได้ แบบนี้ก็สะดวกทั้งโยมผู้ถวายและสะดวกกับพระผู้รับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถวายทั้งหมดเลยนะให้กับพระที่มารับบาตรซึ่งมันก็จะทุลักทุเลนี่ยังไม่นับน้ำนะน้ำสองขวดนะแล้วจะเกิดอะไรตามมานะโมันทุลักทุเลทีเดียวในเวลาทาบุญจะให้เรานึกถึงเนื้อหาสาระนะว่า มุ่งไปที่อะไรบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ได้ที่รูปแบบนี่เราติดที่รูปแบบมากนะเช่นเวลาจะกรวดน้ำเนี่ยต้องมีน้ำแลวต้องมีพระอยู่ข้างหน้าและพระต้องสวดด้วยและต้องสวดบทนี้นะยัดถาวีวาหาสวดบทอื่นไม่ได้นะยอดก็ไม่ได้นะอย่างที่นี่เนี่ยบางทีเราก็ตรวจสวยดยอดอิชิตังปฏิตังตุมหังบางทีโยมก็ท้วงว่า เจ้ายถ า, าก็อิชิตังก็เป็นบทย่อของยะฐานั่นแหละนะแต่ถึงไม่มียถ า, าอิชิตังก็บุญก็เกิดขึ้นนะกับผู้รับกับกับผู้ให้รวมทั้งญาติโยมที่ล่วงรับดับไปแล้วก็ได้ขอเพียงแต่ใจเรานึกนึกถึงเขานะนึกด้วยใจที่เป็นสมาธิผ่องใสใจที่ผ่องใสของผู้ถวายนี้ก็เลยเป็นบุญละ และใจที่เราเลกนึกถึงผู้ที่ล่วงรับก็ทําให้บุญนั้นถึงผู้ที่ร่วงรับได้ง่ายขึ้นเต็มเต็มแต่เดี๋ยวนี้เราไปติกที่รูปแบบนะต้องมีน้ําต้องมีพระมาสวดต้องสวดบทนั้นบทนี้จิตใจเลยเศร้าหมองนะเวลาไม่มีน้ําหรือเวลาพระทำสวดบทอื่นจิตใจเศร้าหมองเลยก็กลายเป็นว่าไม่ได้บุญเพราะปะติที่รูปแบบหรือเหมือนกันนะเวลา เวียนเทียนเนี่ยเราก็ติดทุลุบแบบว่าต้องเวียนเทียนด้วยดอกไม้ทูบเทียนถ้าม่มีดอกไม้ทูบเทียนนี่รู้สึกไม่สบายใจทั้งที่อาจจะเปลี่ยนเป็นกล้ามไม้ต้นไม้ก็ได้อย่างตอนหลังเนี่ยเรามีการรณรงค์ให้เวียนเทียนด้วยกล้ามไม้เพราะต้นไม้นี่มีความสําคัญนะต่อพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าแต่บางคนก็ยังอติดนะว่าเนี่ยมันต้องดอกไม้ทูบเทียน เช่นกันเวลามาสักการะบูชาพุทรูปนต้องมีดอกไม้ทูปเทียนนะถ้าไม่มีรู้สึกไม่สบายใจนะทั้งที่ถ้ากราบด้วยใจที่อ่อนน้อมถ่อมตัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธานี้ก็ได้บุญแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพอไปติดที่รูปแบบนะบางทีมันเกิดปัญหานะอย่างเช่นเนี่ยเคยไปเขาคิชกูดนะประเทศอินเดียกรุงราชคฤห์ก็เป็นที่ที่ชาวพุทธไทยเราไป จาักกรระบูชาพระกุฏิน ะ, ะกุฏิของพระพุทธเจ้าคันตะกุฏีรวมทั้งถ้มของพระสายลูกบุตรนะหลายคนตั้งใจไปได้ไปแล้วก็ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือขยะเต็ไมไปหมดเลยนะขยะทั้ง ถามูลคันตะกุตีแล้วก็ขยะแกรอบๆขยะที่ว่านี่คืออะไรนะกล่องนะกล่องใส่ทูบกล่องใส่เทียนนะผู้คนเนี่ยอยากจะจุดทูบจุดเทียนแต่กล่องเนี่ยนะที่บรรจุทูบเทียนนี่ไม่สนใจนะทิ้งไว้ข้างๆหรือว่าทิ้งไว้ตรงในป่าเนี่ยอันนี้ฝีมือของชาวพุ่ธนะเพราะว่ า, วา มันมีชาวอินเดียที่มาเที่ยวก็เยอะที่ไม่รับนับถือพุทธแต่คนเหล่านี้เขาไม่เอาธูปเทียนมาด้วยมันก็มีชาวพุทธนั่นแหละที่เอามาแล้วชาวพุทธไทยด้วยนะอันนี้เรียกว่าสนใจนะแต่ว่าจะถวายดอกไม้ธูปเทียนแต่ไม่สนใจผลที่ตามมาแล้วว่ามันจะมีขยะอะไรไหมทั้งที่ถ้าว่าเราต้องการจะบูชาสักการะหรือแสดงความเคารพต่อ พระเจ้าหรือต่อสถานที่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่น้อยคือความสะอาดความหมดจดนะแต่กลัไม่สนใจสนใจแต่ว่าฉันจะจุดทูบเทียนแล้วทูกเทียนที่จุดนี่ก็ไม่ได้จัดการที่เรียบร้อยนะก็เรียกว่าไม่เป็นระเบียบแล้วก็ไม่สะอาดเลย นะความความลเนี่ยมันแสดงมาแสดงด้วยความใส่ใจในความสะอาดของสถานที่ด้วยนะมาทมําบุญที่วัดของมันเงนนะกระถินภาพป่าอะไรเนี่ยมีงานต่างๆเนี่ยบอกว่าขยะเกลือนเลยทุกคนก็อยากมาทมําบุญแต่ทาในรูปแบบนะมาถวายของมาจุดธูปเทียนแต่ว่าไม่สนใจขยะที่เกิดขึ้นแล้วขยะนี้ก็เกิดจากน้ําปวดน้ําเปล่า ของกินที่ทิ้งแล้วนะนนี้แสงว่าไปติดที่รูปแบบนะไม่ได้สนใจเนื้อหาสาระเมื่อมาวัดเนี่ยก็ต้องใส่ใจว่าทำไงจะให้วัดเป็นที่ที่สะอาดนะเป็นรมณีอยู่แล้วเห็นแล้วสบายใจนะเราต้องช่วยขนขวายด้วยนะเก็บขยะนี่ก็เป็นการทำบุญแต่การทำบุญแบบที่คนไม่ค่อยสนใจนะเพราะมันไม่ใช่รูปแบบที่หรือพิติกรรมที่คนรู้จัก ก็จะเอาแต่ใส่บาทถวายสังกทจจายัางเดียวแต่เก็บขยะนี่ไม่ถือว่าเป็นบุญนะไม่ถือว่าเป็นการทําบุญให้กับสถานที่ผลก็คือว่าสังเวชัยสถานเนี่ยหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียนี่ขยะได้ไม่หมดนะถ้าไม่มีเจ้าที่มาดูแลนะสี่สังเวชนี่มีเจ้าที่ดูแลนะแต่เขาคี้สกูลนี่ไม่มีเลยเลยเลอเทอะมากนะทำบุญต่อไปใครจะไปทําบุญด้วยการเอาขยะไปเก็บนะเก็บขยะใส่ถุงดํา แทนที่จะพกถูบเทียนพกถุงดำไปดีกว่าเพื่อไปเก็บขยะที่ชาวพุทธนี่เอามาเอามาทิ้งเอาไว้นะ